พระสุตตันตปิฎกที่ข้านิกายข้อสังเกตบางประการและจุด ท, ที่ควรเน้น 1. น่น่าสังเกตว่าการจัดหมวดหมู่พระสูตรไม่ได้จัดตามลำดับเนื้อหาแต่ถือขนาดยาวสั้นเป็นเกณฑ์ชื่อพระสูตรก็ตั้งโดยไม่มีระบบแน่นอนบางสูตรตั้งชื่อตามเนื้อหาแต่อีกหลายสูตรเอาชื่อคนที่ฟังพระธรรมเทศนามาตั้ง เนื้อหาก็ไม่เป็นเอกภาพมากล่าวซ้ำกันเช่นเรื่องศีลสามระดับเรื่องฌานสี่เป็นต้น 2. ภาษาในพระสูตรต่างจากพระวินัยปิดกบ้างเล็กน้อยตรงที่ในพระวินัยปิดกไม่ใช่ภาษาสนทนาเป็นความเรียงส่วนมากโดยเฉพาะสิกขาบทแต่ละข้อเป็นภาษาร้อยแก้วที่เรียงอย่างดี ต่างจากในพระสุตตันตปิฎกภาษาส่วนมากเป็นบทสนทนาจึงมักจะพูดข้อความเดียวกันซ้ำอยู่เสมอคงต้องการให้ท่องจำได้ง่ายโครงสร้างประโยคก็ไม่ยากไม่ซับซ้อนเหมือนในพระอภิธรรมปิฎกซึ่งเป็นภาษาเขียนที่เป็นระบบแต่ฉบับแปลเป็นภาษาไทยผู้ไม่คุ้นกับภาษาพระมักจะเข้าใจยาก เพราะท่านแปลตามอักษรเกินไปเช่นสำนวนว่ากายยะสะเพทาปรามรณาแทนที่จะแปลว่าหลังจากตายไปก็แปลตามตัวว่าเบื้องหน้าแตกตายเพราะกายแตกเป็นต้น 3. พระสูตรเป็นเทศนาของพระพุทธเจ้าก็จริงแต่ไม่ได้เป็นการบรรยายพระองค์เดียว ส่วนมากเป็นบทสนทนาโต้ตอบซักถามคอยตะล่อมผู้ฟังให้เข้าหาบทสรุปบางครั้งคำตอบอยู่ที่คำถามคือผู้ถามเองนั่นแหละจะค้นพบคำตอบเองหลังจากพระองค์ทรงย้อนและชี้นำเข้าหาจุดวิธีการเช่นนี้ปรากฏว่าโซกราติสนักปรัชญากรีกผู้มีชีวิตอยู่ร่วมสมัยพระพุทธองค์ก็นิยมใช้ ที่จริงพระพุทธเจ้าทรงมีวิธีตอบปัญหาหลายวิธีโปรดดูวิธีการตอบปัญหาของพระพุทธเจ้าข้างหน้า 4. ในการโต้อตอบสนทนานั้นจะเห็นว่าพระพุทธองค์ทรงรู้ดีกว่าคู่สนทนาจึงสามารถทำให้เขายอมรับโดยหยุดสนีเช่นทรงรู้ประวัติศาสตร์รู้ภูมิหลังของคู่สนทนา รู้จุดด้อยจุดเด่นของคู่สนทนาดังกรณีโต้ตอบกับอัมพัทมานพเรื่องวันนะบางครั้งทรงยกเหตุผลง่ายๆชัดแจ้งที่อีกฝ่ายหนึ่งยอมจำนวนทันทีเช่นอัมพัทมานพอ้างว่าพวกพรามเกิดจากปากของพระพรหมจึงสูงกว่าวันนะอื่นพระองค์จึงตรัสตอบว่าไม่จริงพรามก็คลอดจากคันของนางพรามณีเห็นๆกันอยู่ ยังจะอ้างว่าเกิดจากปากประบรหมที่ไหนกัน 5. วิธีปฏิบัติตนเวลาคนอื่นติเตียนหรือสันเสริญในพรหมชาลสูตรบอกวิธีวางตนเวลาคนอื่นเข้าติเตียนหรือสันเสริญซึ่งน่านำไปประยุกต์ใช้กับเรื่องอื่นๆได้ด้วยโดยใช้หลักว่าถ้าคนอื่นติเตียนว่าร้ายเราไม่ควรอาฆาต โทมนัดน้อยใจขับแคนใจเพราะถ้าทำเช่นนั้นจะมีแต่ผลเสียควรพิจารณาดูว่าที่เขาว่านั้นจริงหรือไม่ถ้าไม่จริงก็ชี้แจงเขาว่าที่กล่าวว่านั้นไม่เป็นจริงถ้าคนอื่นเขาสรรเสริญก็ไม่ควรเบิกบานใจดีใจกระยิมยิ้มย่องในคำชมนั้นเพราะถ้าทำเช่นนั้นจะมีแต่ผลเสีย ถ้าจริงตามที่เขาชมก็รับรู้ในใจว่ามันเป็นจริงเท่านั้นก็พอ6เรื่องศีลสามระดับคือจุลศีลมัชชิมะศีลมหาศีลความจริงเป็นศีลของพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าคนที่กล่าวชมพระองค์นั้นอาศัยเกณฑ์การวัดหลายระดับบางคนชมเพราะพระองค์มีจุลศีล บางคนชมเพราะมัชฌิมศีลบางคนชมเพราะมาหาศีลหมายความว่าแล้วแต่คนชมนั้นตั้งมาตรฐานไว้สูงหรือต่ำแค่ไหนแต่ไม่ว่าจะตั้งมาตรฐานระดับไหนพระพุทธเจ้าก็ทรงมีพร้อมให้ควรแก่การกล่าวชมได้สนิทใจศีลทั้งสามระดับนี้ถ้าแปลาตามตัวอักษรไม่สื่อความหมายจุลศีล ควรแปลว่าศีลระดับต่าหรือระดับหยาบๆที่มองเห็นได้ชัดเช่นการไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์เป็นต้นซึ่งคนทั่วไปก็พอมีพอรักษาได้มัชิมะศีลควรแปลว่าศีลระดับกลางหรือละเอียดขึ้นอีกหน่อยเช่นการไม่พรากของเขียวการไม่สะสมบริขารการไม่ดูการละเล่นต่างๆเป็นต้น มหาศีลควรแปลว่าศีลระดับสูงหรือละเอียดยิ่งขึ้นเช่นไม่เลี้ยงชีพด้วยดิวรชานวิชาเช่นดูหมอทายลักษณะทำพิธีเข้าเจ้าทรงผีดูเริกดูยามบวงสวงรดน้ำมนต์พ่นน้ำหมากเป็นต้นคำว่าดิวรชานวิชาหมายเอาวิชาที่ขัดขวางต่อการบรรลุมรรคผล หรือวิชาที่ไม่นำไปสู่การบรรลุไม่ได้หมายถึงวิชาเดรัจฉานหรือวิชาเลวทรามอย่างใดอนหนึ่งพระบาลีว่าติรชานะวิชายะมิชาชีเวนะชีวิกังกับเปนติย่อมสำเร็จการเลี้ยงชีพผิดด้วยติรชานวิชาท่านผู้รู้บางท่านกล่าวว่าท่านไม่ได้ห้ามเรียนแต่ห้ามไม่ให้นําเอาวิชาเหล่านี้ไปหากิน เพราะฉะนั้นการที่พระเรียนรู้และใช้วิชานี้ช่วยเหลือชาวบ้านหรือใช้เป็นสื่อสำหรับนําคนเข้าหาศาสนาท่านไม่น่าจะผิดข้อนี้ฝากพิจารณาด้วยหมายเหตุผู้อ่านขอเสริมสักนิดนะครับจริงๆไม่อยากแทรกความเห็นเข้าไปแต่ในปัจจุบันเห็นคนเข้าใจผิดกันเยอะมากต้องกราบขออภัยครูบาอาจารย์ไวตรงนี้ด้วยนะครับ สำหรับคำว่าติร ช, ชานหรือเตร ช, ชานเป็นคำจากภาษาบาลีนะครับแต่ภาษาไทยจะไม่เรียกว่าดิร ช, ชานหรือเตร ช, ชานให้สังเกตให้ดีนะครับว่าในพระไตรปิดกเรื่องมหาศีลมีคำว่าเลี้ยงชีพด้วยวิชาเหล่านี้จึงควรเพ่งไปที่การทำสิ่งเหล่านี้เพื่อเรียกเงินเรียกลาบสักการะเป็นหลักทาเพื่อความขลัง เพื่อให้คนศรัทธาแล้วอยากมาทำบุญหรือสรนเริญแต่กรณีบางเรื่องเป็นการเมตตาสาหรับสิทธิ์หรือคนที่เหมาะสมอาจไม่เข้าขายหรือไม่ผิดซึ่งต้องดูเป็นกรณีไปบางเรื่องครูบาอาจารย์ท่านก็เมตตาสำหรับคนกลุ่มที่ปัญญาน้อยที่เข้าใจแก่นธรรมะได้ยากก็อนุโลมเพื่อดึงให้ทาความดีจุดประสงค์เพื่อเน้นให้คนได้ทำดี และเป็นบันไดขั้นแรกเพื่อเข้าหาศาสนาท่านทาไม่ได้หวังอะไรเพื่อตนเองนะครับอยากฝังให้พิจารณาให้ดีไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นปรามาสผู้ทรงธรรมได้ซึ่งเป็นบาปหนักการศึกษาธรรมะต้องรอบคอบและครบทุกมุมถ้าจิตยังไม่เจริญในคุณธรรมจริงจะตีความหมายธรรมะได้ถูกต้องตรงทางไม่ได้จริงจึงควรเผื่อใจไว้บ้างวางใจเป็นกลางแล้วศึกษาปฏิบัติให้มากก่อน มุ่งเน้นที่ทำตนให้บรรลุธรรมให้หมดราคะโทสะโมหก่อนในพระไตรปิฎกยังมีกล่าวถึงการอนุโลมตามชาวบ้านได้ในบางเรื่องนะครับเช่นถ้าเขามีประเพณีทำตามกันมาอย่างไรก็อย่าไปขัดทำตามคล้อยตามได้หมายเหตุว่าในบางเรื่องนะครับแต่ต้องรู้ว่าสิ่งที่ทำนั้นเป็นการอนุโลมตามชาวบ้านเท่านั้น ถ้าเข้าใจหลักนี้จะเข้าใจได้ไม่ยากนะครับว่าครูบาอาจารย์ที่รดน้ำมนต์เมตตาสิทธิและชาวบ้านไม่ได้ทําเพื่อหาลาบสักการะไม่ได้สอนให้คนงมงายไปเชื่อโชคลางมากกว่ากฎแห่งกรรมและอริยสัจสี่การทํานั้นๆไม่ถือว่าผิดยังรวมถึงเรื่องอื่นเช่นการกรวดน้ําที่บางกลุ่มค้านว่าไม่ใช่หลักของพระพุทธศาสนาและห้ามทำ สิ่งนี้เป็นประเพณีที่สืบทอดกันมาช้านานก็ควรอนุโลมให้ทำได้ไม่ผิดนะครับเพราะประเพณีการหลั่งน้ำเพื่อแสดงสัญลักษณ์แทนการให้กระทรมาแต่โบราณทั้งในสมัยพุท ธ, ธกาลและแม้พระราชาในอดีตของไทยก็ทรงใช้น้ำประกอบพิธีทำบุญและมีการกรวดน้ำจึงไม่ผิดถ้ายึดคำสั่งสอนที่มีตามพระไตรปิฎกนะครับการใช้น้ำอุทิศบุญให้ ยังดีกับคนที่จิตยังไม่นิ่งขณะล่างน้ำจะทำให้สํารวมจิตอยู่กับที่ได้ดีกว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอยากฝากให้ผู้ศึกษาได้พิจารณาให้รอบคอบนะครับการเข้าใจพระไตรปิฎกที่สำคัญก็คือต้องเข้าใจภาพรวมได้จริงก่อนด้วยยิ่งเข้าใจบาลีได้แตกฉานก็จะยิ่งดีและสำคัญที่สุดคือต้องปฏิบัติจนเข้าถึงอย่างน้อยในระดับจิตก่อน ไม่ใช่เข้าใจด้วยสมองแค่การท่องจำซึ่งจะตีความผิดเข้าใจผิดหรือเข้าใจไม่ครบด้านทำความเสียหายให้ตนเองและพระศาสนาได้อย่างน่ากลัวการท่องจำพุทธพจน์เป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่ก็ต้องเข้าใจจริงด้วยต้องแตกฉานปฏิบัติถึงจุดและเข้าใจทุกแงม่มุมดูในยะความหมายหรือจุดประสงค์จริงของแต่ละคาสอน ที่ท่านตรัสสอนไว้ต่างการต่างเวลาต่างบุคคลและสถานที่ด้วยถ้าเข้าใจนะครับจะรู้ว่าบางครั้งท่านสอนคนหนึ่งกลุ่มหนึ่งแบบหนึ่งสอนคนอีกกลุ่มอีกแบบบางเรื่องทรงตอบคําถามสาวกอย่างหนึ่งแต่กับนักบวชนอกศาสนากลับไม่ให้ตอบคําถามนี้บางเรื่องมีบันทึกไว้เลยนะครับว่า ถ้านักบวชลัทธิที่อื่นถามอย่างนี้อย่างนี้ไม่ให้ตอบแต่เรื่องนั้นกลับทรงตอบพระสาวกไว้มากมายจึงต้องพิจารณาให้ดีนะครับและอยากให้เน้นปฏิบัติจนเห็นสภาวะธรรมกันจริงก่อนด้วยสิ่งที่จะทำให้ท่านเดินมาถูกทางคือการเห็นจิตนี้ไม่ใช่เราไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่มีตัวตนและโปรดเข้าใจว่าคนเรามีหลายระดับสติปัญญาไม่เท่ากัน เด็กอนุบาลจะให้มาเรียนวิชาเคมีเหมือนปริญญาคงทำไม่ได้นะครับคำสอนและแม่พุทธพจน์เองท่านก็สอนคนต่างระดับกันต่างกันดังนั้นอย่าสุดตรงยึดคำสอนบางช่วงบางตอนหรือที่สอนบางคนมาเหมารวมว่าเป็นคำสอนหลักของพระพุทธศาสนาที่ทุกคนต้องปฏิบัติต้องทำตามแบบนี้เท่านั้นถึงจะถูกถึงจะดีไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นการจับเด็กเล็ก ไปวิ่งทางไกลเทียบกับนักวิ่งทีมชาติซึ่งสุดท้ายอาจเจ็บป่วยล้มตายซะก่อนถึงจุดหมายนะครับพระไตรปิฎกคงคำสอนที่ถูกต้องที่สุดจึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่ควรศึกษาและก็ต้องศึกษาให้เข้าใจจริงก่อนด้วยแต่การนาไปสอนเผยแผ่ต้องเข้าใจลึกซึ้งจริงและนำไปใช้ให้ถูกกับจริตวาสนาปัญญาบารมีระดับจิตของแต่ละคนด้วยนะครับ บางอย่างที่ถูกจริตเราอาจไม่ถูกจริตคนอื่นไม่เหมาะกับคนอื่นจึงฝากไว้พิจารณาและอย่างให้ปฏิบัติจนเกิดผู้รู้ตื่นแยกกายและจิตเห็นจิตกับกายทํางานเป็นต่างหากกันชัดเจนให้ได้ก่อนด้วยเพื่อการเข้าใจธรรมะที่ถูกทางเห็นสภาวะธรรมกันจริงจําชัดด้วยตนเองว่าจิตนี้ไม่ใช่เราบังคับไม่ได้มีการปรวนแปร ى, ตามเหตุปัจจัยกระทบอย่างไร จนเป็นเหตุให้หมดความยึดมั่นถือมั่นว่ากายนี้เป็นเราได้จริงธรรมะไม่ใช่วิชาทางโลกนะครับที่แค่ท่องจำได้ทุกตัวอักษรและจะเข้าใจได้จริงจึงขอฝากให้ทุกท่านได้พิจารณาข อ, อย้านะครับนี่เป็นความเห็นของผู้บันทึกเสียงไม่ใช่ความคิดของท่านเจ้าของบทความกราบขออภัยที่ต้องขอแทรกเนื้อหาตรงนี้เข้าไปด้วยเราเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์กับหลายท่านได้บ้าง